ชีวิตนี้น้อยหนักแต่ชีวิตนี้สำคัญหนักเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อเป็นทางแยกจะไปสูงไปต่ําจะไปดีไปร้ายเลือกได้ในชีวิตนี้เท่านั้นพึ่งสำนึกข้อนี้ให้จงดีแล้วจงเลือกเถิดเลือกให้ดีเถิดชีวิตนี้จักสวัสดีและชีวิตข้างหน้าก็จักสวัสดีได้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 ผู้จะมีสติระวังไม่ทําความไม่ดีทั้งกายวาจาใจได้ยิ่งกว่าผู้อื่นคือผู้มีกตันยูกะตะเวทีอันเป็นธรรมสาคัญธรรมที่จะทําคนให้เป็นคนดีมีความห่วงใ ย, ยปรารถนาระวังรักษาผู้มีพระคุณไม่ต้องเสียทั้งชื่อเสียงและไม่ต้องเสียทั้งน้ําใจผู้มีกระตัญยูกะตะเวทีจึงเป็นผู้มีธรรมเครื่องคุ้มครองให้สวัสดี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 ทุกชีวิตไม kind of okay. ่ว่าคนไม่ว <It> ่าสัตว์มิได้มีเพียงเฉพาะชีวิตนี้คือมิได้มีเพียงชีวิตในชาตินี้ชาติเดียวแต่ทุกชีวิตมีทั้งชีวิตในชาติอดีตชีวิตในชาติปัจจุบันและชีวิตในชาติอนาคตชีวิตนี้น้อยหนักหมายถึงชีวิตในชาติปัจจุบันนั้นน้อยหนักสั้นหนัก